ในที่สุดพระองค์ก็ประทับเนี่ยนะตะแคงข้างขวาระวังต้นสาระคู่เห็นความอุตสาหะย่างใหญ่ของบริษัทที่ประชุมกันตั้งแต่พื้นปัตภีจดขอบปากจักรวาลตั้งแต่ขอบปากจักรวาลจนถึงพรหมโลกเนี่ยนะโอ้เทวดามาเยอะมากทุกคนมาบูชาพระองค์เนี่ยนะเทวดามาเป็นหมื่นจักรวาล น, น, นะพระองค์ก็เลยบอกพระนอนนุนว่าเครื่องบูชาสการะที่มันท่วมจักรวาลเนี่ยนะ อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการสักการะพระองค์จริงๆางการสักการะด้วยดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟด้วยอิดนินปูนายทั้งหลายเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นการบูชาพราะองค์อย่างแท้จริงก็คิดดูนะถ้าตั้งคำถามแบบง่ายๆบูชาด้วยรูปกับบูชาด้วยกุศลจิตอันไหนประณีตกว่ากันบูชาด้วยใจกับบูชาด้วยของดอกไม้เนี่ยเอางี้นะถ้าเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเขาเอาของขวัญมาฝากเราแบบ กับเอาความจริงใจมาฝากเราเราสนใจไหนมากกว่ากันโดยมากก็สนใจความจริงใจมากกว่าพระองค์ก็เหมือนกันพระองค์ต้องการความจริงใจที่เป็นไปกับข้อปฏิบัติมากกว่าที่จะต้องการแค่พวงดอกไม้เต้องแค่ต้องการในพวงดอกไม้เพราะใจที่เป็นกุศลนั่นแหละสิ่งที่พระองค์ร้องเรียกพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อต้องการสักการะเหล่านี้เลยเ เหมือนกับอะไรนะแม้สาหาเสียงยกใหญ่เลยจะได้เป็นนายกเพื่อให้คนเอาดอกไม้มาให้อย่างไงโอ้ยมันจะไปคุ้มค่าอะไรใช่ไหมทาเหนื่อยแทบตายเพื่อต้องการดอกไม้อะไรนะที่เขาซื้อข้างทางมาไว้เอามาฝากเนี่ยเอาดอกไม้มาฝากเลยโอ้เนี่ยเหรอมามาแทบตายเนี่ยได้ดอกไม้พวงเดียวอย่างเนี้เลยจะไม่น่าสนใจอะไรดอกไม้สดสีสวยมันก็เดี๋ยวก็เฉาหมดสภาพแล้วล่ะไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ขยะกองดอกไม้เต้นไปหมดเนี่ยนะ บอกงานแต่ละงานเนี่ยเชื่อไหมโอไอ้วันที่ประดับทุกคนเต็มอกเต็มใจยิ่งแย้มยจ่มใสขนดอกไม้ไปบูชาประดับประดาเ น, นี่ยนะไอ้วันเก็บขยะเนี่ยโอ้เราห้อยกันเลยนะีมี ใ, ใครช่วยเก็บขยะเลยนะสังเกตวัดทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นกว่าจะเก็บขยะดอกไม้เสร็จตั้งร้อยวันเนี่ยนะคืออยากให้คิดสองด้านด้วยเหมือนกันอันนะั้ว่าสิ่งที่เราว่าดีอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ให้มองสองด้านเอาไว้เลยนะนะอัศว์ท่านหน้ายินดีมันก็มีความ ร่วงโรยแล้วก็โรยราตรงนั้นแล้วเนี่ยมาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพิมพ์พระพุทธคุณแจกดีกว่ามันไม่เฉาดีนะนะสรุปทบทวนบอกว่าพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อต้องการต้องการอะไรต้องการดอกไม้เป็นต้นเครื่องสักการะเหล่านี้นะบอกว่าอานอนท์เราตถาคตมอบอยู่เ ท, ท้าของพระพุทธเจ้า พ, พระนามวัตถีปังกอ เพื่อประชุมธรรมะแปประการแร้วว่าธรรมะสโมโทฐานแปประการปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะรวบรวมความเป็นมนุษย์เป็นเพศชายเนี่ยนะเป็นเพศชายแล้วก็เป็นนักบวชผู้ พ, พร้อมด้วยอภิญญาห้าสมาบัติ8มีคุณธรรมพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้มีเห็นพระพุทธเจ้าสละชีวิตเป็นพุทธบูชามีความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แรงกล้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็สร้างบารมีทั้งหมดก็ไม่ได้เพื่อพวงมาลัยของหอมดุริยางและดนตรีไม่ได้ตั้งความปรารถนมามหาดอกไม้ของหอมเลยเนี่ยนะที่เราสร้างบารมีไม่ได้สแสวงหามาเพื่อดอกไม้ของหอมเดี๋ยวคนจะได้อะไเอาดอกไม้จันไปวางที่เชิงตะกรให้เราเนี่ยนะใครเคยคิดไหมบอกโอ้ที่ที่ที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อคนอื่นเขาจะเอาดอกไม้จันไปใส่ที่เชิงตะกรเนี่ยนะใครตั้งใจบ้างในห้องเราเนี่ยนะมีไห เดี๋ยวไม่มีใครเอาดอกไม้จันทไปวางที่เชิงตะกรันของเราเนี่ยนะอืมอะไรจะปานนั้นนะนะพระพุทธเจ้าท่านไม่โง้เขลาบ้าจี้อะไรถึงขนาดว่าอุย้ยแบบอะไรนะดอกไม้ของหอมเอามาเธอเอามาอะไรไม่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีสติสัมปชัญญาว่าพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญประชมธรรมะแปดประการเพื่อดอกไม้ของหอมหรือเครื่องดนตรีเหล่านี้เลย และขณะเดียวกันก็ไม่ได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบมาเพื่อดอกไม้ของหอมเครื่องดนตรีเหล่านี้เลยเนี่ยนะบารมีสิบอุปารมีสิบปรมตทมหาบริจาคทาทุกอย่างไม่ได้เพื่อสิ่งเหล่านี้เลยพันการเอาสิ่งเหล่านี้มาเคารบบูชาสักการะเราก็ไม่เป็นชื่ อ, อไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเราไม่เรียกว่าบูชาเราจริงเนี่ยนะคืออะไรนะไม่เรียกว่าเป็นการบูชาจริงๆอย่างถูกต้องที่ต้องการเพราะไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อ ดอกไม้และของหอมเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเพราะเหตุไรถ้าเป็นที่อื่นๆนะแม้สูตรอื่นๆนะชื่นชมสรรเสริญเลยว่าผลแห่งบุญที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้มียานที่กำหนดไม่ได้ใครจะไปกำหนดอ น, นิสงของการบูชาพระพุทธเจ้าได้ขนาดพระพุทธเจ้าเองพุทธยานก็ยังส่องไม่หมดว่าผลแห่งการบูชาเนี่ยจขนาดไหนแม้กระทั่งว่าถือดอกไม้ดอกดีเยี่ยวังัน หรือระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วบูชาพระองค์เนี่ยบูชานั้นน่ะผลวิบากที่เกิดจากการบูชานับประมาณไม่ได้สูตรก่อนก่อนหน้านั้นพระองค์เทศอย่างนี้จริงก่อนหน้านั้นใครเล่าจะกล่าวถึงผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ควรแก่การบูชาผู้ก้าล่วงโศกะปริเทวะโดยที่สุดแม้แต่ดอกไฟดอกเดียวก็ยังมีผลมากมีนิสงมากพอยอตอนสุดท้ายใกล้จะปรินิพาน บอกว่าเราไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้เลยทาไมเหมือนกับว่าหักดิบเลยนะตอนท้ายกลับมาหักกลางลำเลยอนยะ่างเงี้ยก็บอกว่าจริงๆก็เพราะจะอนุเคราะห์บริษัทอย่างหนึ่งอันนี้เหตุผลแรกเหตุผลที่สองเพื่อต้องการให้พระาศาสนาของพระองค์ยั่งยืนอยู่ต่อไปเหตุผลแรกก่อนที่บอกว่าต้องการสงเคราะห์บริษัทเนี่ยนะก็คือว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าหากว่าพระองค์นอนเงียบๆประทับบรรทมนิ่งๆให้เขาเอาเครื่องสักการะมาบูชาพระองค์เช่นนั้นแล้วพระองค์ไม่คัดค้านไม่ห้ามไม่ปรามเนี่ยนะต่อไปในอนาคตพุทธบริษัทก็จะไม่บำเพ็ญศีลในคำสอนที่พระองค์สอนว่าด้วยเรื่องศีลศีลไม่เอาละนะพระองค์สอนวินัยปิดกมากมายศีลไม่เอาละ จะไม่ให้สมาธิบริบูรณ์ในสมาธิที่มาถึงพระสูตรทั้งหมดที่พระองค์สอนเพื่อเจริญสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็ไม่เจริญนะหรือไม่ถือเอาห้องวิปัสสนาในฐานะที่วิปัสสนามาถึงเช่นวิปัสสนาภูมิทั้งหลายขันธ์ธาตุอายตนะเป็นที่ตั้งแห่งการใคร่ครวญแห่งวิปัสสนาก็ไม่เอาละภิกษุบริษัทเป็นต้นจะชักชวนซึ่งอุปถาทำการบูชาอย่างเดียว พระจะไปทําอะไรแล้วบูชาทัานเถอะญาติโยมมาร่วมกันบูชาสรนเริญแต่เรื่องบูชาก็จะกลับไม่สนใจพระธรรมคําสอนนะจะไม่พาการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามคําสอนมาชักชวนกันแต่งดอกม้อย่างเดียวเพื่อเป็นพุทธบูชาช่วยการแต่งเนี่ยนะและไอ้การอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะวัตถุบูชาด้วยมหาพูดมหาพูดมันก็กัดเอา บูชาด้วยดอกไม้ดอกไม้มันก็กัดเอาเชื่อบบูชาด้วยดอกไม้เนี่ยตอนแรกมันดีดีหนักหนักเข้าไอ้พวกบูชาด้วยดอกไม้มันจะทะเลาะ ก, กันเองเนะนะพวกบูชาในที่สุดขัดคอกันเอายังงี้สิอย่างงั้นสิไอ้คนนี้เอาอย่างนี้ไอ้คนนี้นนตําหนิคนนั้นไอ้คนนั้นก็มานะมากแหมามาว่าฉันได้ยังไงเนี่ยนะก็เลยในที่สุดพอบูชาเสร็จมองหน้ากันไม่ติดเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะบางทีก็บูชากันด้วยผ้าบูชาเสร็จกว่าจะบูชาเสร็จ ทะเลาะกันเพราะเรื่องผ่าอีกแล้วน้ำตาไหลกันหยดย้อยนั่นแหละบูชากันด้วยสร้างเจดีกว่าจะเสร็จเจดีหนึ่งองค์กัน้ำตาไหลหยดย้อยอีกนั่นแหละคือทุกเรื่องที่บูชาด้วยมหาพูดมันทะเลาะกันจบด้วยวิวาทจบด้วยทะเลาะเบาแวงจบด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องจบด้วยเรื่องสำนวนเรื่องขี้เรื่องขึ้นราทั้งหลายทั้งนั้นเลยนะทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะเรื่องไม่เป็นราวเลยในที่สุดไอคนที่รอรับเครื่องสักการะการบูชาอีกก็เหมือนกัน ในที่สุดก็เปื้อนบาปเนี่ยนะเอาของที่เขาทําพุทธบูชาเป็นต้นไปใช้อย่างผิดผิดเนี่ยนะเป็นที่อาศัยแห่งเหลือบยุงลมอันนะเป็นที่อาศัยของเหลือบยุงเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปแสวงหาผลประโยชน์จากบริเวณตรงนั้น เ, เรียกว่าภาษาง่ายๆเรียกว่าขายกระดูกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในที่สุดก็กลายเป็นว่าอา้าวพระบรมสารีริกธาตุเป็นคุยควรบูชาก็กลายเป็นว่า เป็นที่ทามาค้าขายเนี่ยนะมันก็กลายเป็นคนละเรื่องกันไปเลยเนี่ยนะหนักๆักเข้าพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเขาให้ผลจากวัตตะที่ไหนได้กำลังฝังตัวเองเอาไว้ในวัตตะมันเกิดอะไรขึ้นนั้นถ้าพระองค์ไม่ค้านเนี่ยนะต้องใส่ทุกอย่างจะเป็นเครื่องพุทธบูชาทั้งหมดทบูชาทั้งหมดถ้าทุกคนมาใส่ใจลักษณะอย่างนี้เข้าอะไรจะเกิดขึ้น บ้านเมืองเป็นต้นก็ล่มสลายเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนก็จะไม่เจริญสติปัญญาก็ไม่เอาแล้วจะมานั่งแต่งดอกไม้กันอย่างเดียวบางทีเนี่ยตั้งดอกแต่งดอกไม้กันจนดกดือดจนเบลอไปหมดเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะบูชาอะไรกันแน่เนี่ยนะก็ตกแต่งสีสันเสร็จแล้วก็แพ็บเดียวมันก็เฉาหมดแล้วเนี่ยนะมันก็มันต้องมาทบทวนอีกทีเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราบูชาเนี่ยบูชาอะไรเนี่ยนะบูชาด้วยอะไรแล้วต้องพระองค์ต้องการอย่างนี้จริงไหมอันนัพระองค์ต้องการอย่างนี้จริงไหม ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าของมาไม่ทำนะของมาก็บูชาเหมือนกันแหละทูบดอกไม้ทูบเทียนเทียนในจุดเป็นพันเล่มเหมือนกันนะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงประเด็นนี่นะหลงประเด็นโอ้ยมัวแต่หาดอกไม้หาทูบหาเทียนหาโน่นหานี่ น, นะจนจนจนอะไร บกงุ่นอยู่กับสิ่งนั้นหมดเวลาไปแต่ละปีผ่านไปแต่ละปีผ่านไปเนี่ยนะบางทีก็ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติคําสอนอะไรรอกไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบูชาไปบูชามากอาจจะพระพุทธเจ้าคนละองค์ตั้งนานแล้วนะไม่รู้บูชาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบอกไม่รู้่เขาว่าพระพุทธเจ้าก็แล้วกนันบูชาไปบูชามาเนี่ยกลายเป็นว่าบูชาชื่อตัวเองติดชื่อไว้หน่อยอ่านะ ก็บูชาชื่อตัวเองแล้วบูชานามสกุลตัวเองบูชาชื่อแท่บริจาคโดยคนนั้นทําเพื่อคนนี้คนนั้นเอ้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาใครกันแน่กลายเป็นว่าบูชาชื่อเสียงตัวเองอะไรหนักๆเข้าโอข้าพเจ้าเป็นผู้เป็นนักบูชาเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าทําเพื่อข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วตอนแรกเพื่อพระพุทธเจ้าเจาะจงพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆหนักๆเข้านานๆเข้าในที่สุดก็กลายเป็นบูชาข้าพเจ้า นี่กลายๆเพราะอะไรเพราะจะต้องมีชื่อข้าพเจ้าถ้าไม่มีชื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ทำนะอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันว่าต้องมีชื่อเราอยู่ด้วยนะโอ้กลายไม่รู้บูชาใครกันแน่อันถ้าบูชาพระพุทธเจ้าก็ตั้งนะโมตัสสะสิเอานะเขียนว่านะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะบูชานะธรรมะบูชาสังฆบูชาก็ต้องเขียนว่าอย่างงี้สิถ้าเขียนชื่อข้าพเจ้าก็แปลว่าบูชาข้าพเจ้าหรือบูชาโดยข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า ต้องทบทวนอีกทีว่าเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าหรือเอาชื่อของเราไปแปะใกล้ๆบริเวณที่พระพุทธเจ้าเลยนะมันก็ต้องพยายามทบทวนอีกทีว่าทำเพื่ออะไรทาโดยมีจุดหมายอย่างไรต้องการอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรสอบสวนให้ดีนิสส ม, มะกระรนังสยโยใคร่ครวญให้รอบครอบละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วค่อย ค่อยคิดค่อยทอยํางนั้นเมื่อทําอย่างนี้แล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากทําแบบคนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นตั้งที่ตั้งแห่งความเจริญเราทําแล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขทีนี้คนที่บูชาเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพิสูจน์ทั้งหลายถ้ามาขวนขวายในกิจในการบูชาเป็นต้นอย่างเดียว จนแม้กระทั่งว่าสร้างวัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะศาสนาไม่สามารถดำรงอยู่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวถ้ามาขวนขวายในการบูชาท่านบอกว่าศาสนาคืออธิสินอธิจิตอธิปัญญาจะดำรงอยู่แม้ชั่วดื่มข้าวยาขู่ครั้งหนึ่งได้ก็ไม่มีแปลว่าศาสนาหยุ่ไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียว เพราะอะไรเพราะมีสิกขาอธิศินอยู่ตรงนั้นนั่งไหมถ้าทุกคนสมมติถ้าเรามองภาพเป็นรูปธรรมถ้าทุกคนมาประโคมดนตรีร้องเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะจะมาศีลข้อไหนเอ้าสมถะและวิปัสนาข้อไหนพูดปร ะ, ประทันฑสมัยเป๊ะเลยเมื่อเมื่อสองสาวันก่อนวันที่ก่อนจะมานี่ไปไหว้ไปไปสวดสรรเสริญนะนะพุทธานุสติธรรมานุสติที่สุขโขทัยมาไปสวดมนต์ข้างหลัง โอ้ยเปิดเพลงสาญสัญญาร้องดังสนั่นเมืองกันไปหมดข้างหน้าข้างๆตรงนั้นนะนะข้างหน้าก็มีแต่เพลงแล้วก็สวดมนต์ไปก็เสียกสวดกรอบเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นถ้าเน้นการบูชาด้วยเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยเพลงปะโลมโลกทั้งหลายถ้ามันดังกระหึ่มบริเวณพระเจดีย์ถ้าใครจะไปเจริญอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาจะไปไปสรรเสริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ไม่ใช่แล้วหนักหนักเข้าก็ไม่รู้ว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าสักกี่นาทีเนี่ยนะโดยชาวนาจิตโดยสภาพแห่ง ความคิดอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่นาทีเนออยู่กับคําสอนกี่นาทีอยู่กับความปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญากี่นาทีเพราะฉะนั้นไอการบูชาด้วยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยาศาสนาดํารงอยู่ไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวจริงอยู่ท่านบอกว่าสร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารเจดีย์เป็นพันเจดีย์เช่นกับมหาเจดีย์คือมหาเจดีย์คืออะไรส่วนนะมาริกาเจดีย์ใหญ่ไหม นาใหญ่นะสวนนัมาลิกาเจดี JD, ก็คิดถึงคนครปฐมก็แล้วกันนะนะสร้างเหมือนกับว่าสร้างพระองค์พระปฐมเจดีแต่ในคำดีท่านบอกว่าปฐมเจดีอาจจะไม่มีในยุคนั้นนะก็คือว่าเจดี JD ที่สีลังกาสวนนัมาลิกาเจดีย่อยมากเลยนะแล้วก็เดินรอบเนี่ยอีกฟากหนึ่งตะโกนอีกฟากหนึ่งดีนำะใหญ่มากขนาดนั้นใหญ่จริงๆนีนะใหญ่อย่างนั้นถ้าบอกว่าสร้างเป็นพันพันองค์ก็ดำรงาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ ดำรงอาธิศีน์อธิจิตและอาทิปัญญาไม่ได้แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะทุกคนไปถึงก็ไหว้ๆเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วได้บุญแล้วได้บุญกลับบ้านนะ้วีนเหลือไหมสมาธิเหลือไหมปัญญาเหลือไหมไม่เหลือแล้วพระองค์บำเพ็ญบารมีต้องการให้แค่คนมายกมือมากราบมาไหว้เอาดอกไม้มาวางต่อหน้าหลุมตัวเอ่ต่อหน้าอะไรนะพระธาตุตัวเองเท่านั้นหรือสร้างบารมีมาเพื่อเท่านี้หรือ เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับบางคนก็คิดว่าเออเนี่ยตายไปแล้วใครเอาพวงรีดมาวางหน่อยก็ดีใจแล้วเนี่ยนะอุย้ยจะไปว่าอะไรก็เหมือนกับตัดผมไปวางเสร็จแล้วให้คนดอกไม้ไปบูชาดูสิเอาเราจะคิดว่ายังไงอ่ะนะใครเคยตัดผมแล้วเอาไปผมไปทิ้งอ่ะนะทิ้งที่ไหนสักแห่งก็ได้เอาแล้วเอาใครเอาดอกไม้ไปบูชาเกสาของเราผมของเราเนี่ยทําจริงเราจะดีใจไหมตัดเล็บเสร็จแล้วเอาไปวางไว้บางแห่งแล้วคนเอามากราบมาไหว้เนี่ยเราเห็นแล้วก็เศร้าใจแบบนั้นเลย โอ้เนี่ยเหรอไอคำที่เราอุตส่าห์พร่ำสอนผู้สอนกระวัตพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเนี่ยสอนมา45ปีเขามานั่งสนใจบูชารูปบูชาปฐวีอาปโปเตโชที่พระองค์กำหนดรอบรู้เท่านั้นหรือบูชาผมขนเล็บฟันหนังของพระองค์เท่านั้นหรือพระองค์ก็เริ่มคิดล่ะครับว่า ไม่ใช่พระ อ, องค์เริ่มคิดพระ อ, องค์รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาขวนขวายในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยเอาดอกไม้ของหอมไปบูชาพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาเมื่อเขามาถึงเอาดอกไม้มาวางพระ อ, องค์ก็เทศใช่ไหมตอนนี้พระธาตุท่านไม่เทศแล้วนี่สิอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อพระธาตุท่านไม่สอนนะนะท่านก็ได้แต่สังเวชนะนะทถ้าพระองค์ไม่ห้ามปราหม์เลยทุกคนก็พยายามขนเงินขนทองแล้วก็มาบูชากันเมื่อบูชากันเสร็จแล้วมันก็เป็นภาระเนี่ยนะ คำนวณว่าถ้าหากว่าเจดีเป็นองค์เจดีเป็นทองหมดเจ้าวาดนอนไม่หลับหรอกเจเออเดือดร้อนตายเลยเนี่ยนะมาคิดแล้วเนี่ยนะมาตอนก่อนเ็เอาดองไปวางกั น, นแล้วเจดีมันกระจกโอ้ยจะไปไหนใครที่ดูแลบอกนอนไม่หลับหรอกนะใครเป็นเจ้าวาดก็นิมนเทอเนี่ยนะ มันก็ลำบากพรนศาสนาอาธิศีนารงอยู่ไม่ได้อธิจิตก็นารงอยู่ไม่ได้ของดีมีค่าประนีตยอยู่ที่ไหนอะธินนาทานก็อยู่ที่นั้นการทุจริคตคดโกงทั้งหลายก็อยู่ที่นั้นเมื่อทุจริคตคดโกงจะไปไหนก็ทําลายศีลแล้วเมื่อศีนถูกทําลายแล้วสมถาวิปัสสนาเป็นต้นก็ถูกทําลายเมื่อสมถาวิปัสสนาถูกทําลายแล้วมรรคผลนิพพานก็ชื่อว่าถูกทําลายแล้วเพราะฉะนั้นการบูชาด้วยอ ม, มิตรทั้งหลาย จึงไม่เชื่อว่าเป็นการบูชาพระองค์เพราะไม่สามารถทําศาสนาของพระองค์ให้ดํารงอยู่ได้พระองค์เนี่ยปรารถนาว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยข้ามด้วยศีลข้ามจากอบายด้วยศีลเมื่อเขาทําลายศีลของพระองค์แล้วเขาจะข้ามได้อย่างไรพระองค์ปรารถนา mı? ช่วยให้เขาข้ามจากการมมพบมด้วยสมาถะทั้งหลายนี้เมื่อเขาทําลายสมถะของพระองค์แล้วจะข้ามได้อย่างไรพระองค์อยากปรารถนาจะให้เขาข้ามพม ข้ามพ้นจากวัตฏะทั้งหลายด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติเพื่อทําลายศีลสมาธิปัญญาแล้วเขาจะข้ามจากวัตฏะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องอามิดบูชานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสําคัญสิ่งที่น่าสลดสังเวชอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่ทํากิจกรรมในการพุทธบูชายังเจริญด้วยมิจฉาวาจาอันนี้ก็น่าอันตรายเนี่ยนะเช่นกระละที่จัดดอกไม้ของหอมก็เพ้อเจ้อไปเนี่ยนะขณะที่จัดผ้า ตกแต่งภาพเป็นผุทบบูชาก็เพ้อเจ้อไปดีไม่ดีก็นะมันก็จีทุจริตบานเบอะอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าความทุศีน ร, ร่วงหล่นอยู่แถวแถวนั้นเต็มไปหมดเพราะฉนคนที่จะทำผพุทบบูชาอย่าลืมศีลด้วยนะเพราะว่าศีนเนี่ยเป็นการบูชาที่สูงกว่าทาน สูงกว่าบูชาด้วยมหาพูดอย่าลืมเมตตาเป็นต้นด้วยนะอย่าลืมคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงต่อไปอีกนะไม่ใช่ว่าแหมตัดตอนตัวเองในคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเพราะงั้นการบูชาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็บูชาด้วยสิทธวัตถุทานอภัยทานและธรรมทานบูชาด้วยวัตถุและด้วยจิตใจบูชาทั้งด้วยวัตถุด้วยกายวาจาและใจการบูชาด้วยวัตถุพร้อมทั้งกายวาจาและใจนั่นแหละจึงจะประเสริฐส่วน บูชาด้วยการปฏิบัตินั้นก็จะกล่าวต่อไปในตอนบ่ายตอนเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อนมันขอให้เราทั้งหลายได้บูชาอย่างถูกต้องเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการ